ณวั น, นี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโคธิยานเถระหลวงพ่อชาสุขโทแห่งวัดหนองป่าพงมเรื่องคำถามและคำตอบแนวการปฏิบัติธรรม พระสุญโยภิกขุรับพิสุขชาวอเมริกันจดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเมื่อลาสิกขาแล้วท่านได้พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทานต่อมามีผู้แปลเป็นภาษาไทยและหลวงพ่อชาให้พระวีรพลเตชะปัญโยแห่งวัดหนองป่าผงสอบทานแล้วจึงได้พิมพ์ฉบับภาษาไทยหนึ่งผมได้ภาคเพียรอย่างหนักในการปฏิบัติกรรมฐาน แต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ผลคืบหน้าเลยเรื่องนี้สำคัญมากอย่าพยายามที่จะเอาอะไรๆในการปฏิบัติความอยากอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้นหรือรู้แจ้งนั้นจะเป็นความอยากที่ขวางกั้นท่านจากการหลุดพ้นท่านจะเพียรพยายามอย่างหนักตามใจท่านก็ได้จะเร่งความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนก็ได้แต่ถ้าการฝึกปฏิบัตินั้น ยังประกอบด้วยความอยากที่จะบรรลุเห็นแจ้งแล้วท่านจะไม่มีทางที่จะพบความสงบได้เลยแรงอยากจะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยและความกระวนกระวายใจไม่ว่าท่านจะฝึกปฏิบัติมานานเท่าใดหรือหนักเพียงใดปัญญาที่แท้จะไม่เกิดขึ้นจากความอยากนั้นดังนั้นจงเพียรแต่ละความอยากเสีย จงเฝ้าดูจิตและกายอย่างมีสติแต่อย่ามุ่งหวังที่จะบรรลุถึงอะไรอย่ายึดมั่นถือมั่นแม้ในเรื่องการฝึกปฏิบัติหรือในการรู้แจ้งสองเรื่องการหลับนอนละ่ะควรจะนอนมากน้อยเพียงใดอย่าถามเลยตอบให้ไม่ได้บางคนหลับนอนคืนละประมาณสี่ชั่วโมงก็พอ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญก็คือท่านเฝ้าดูและรู้จักตัวของท่านเองถ้าท่านนอนน้อยจนเกินไปท่านก็จะไม่สบายกายทำให้คุมสติไว้ได้ยากท่านนอนมากเกินไปจิตใจก็จะตื้อเฉยชาหรือซัดสายจงหาสภาวะที่เหมาะกับตัวท่านเองตั้งใจเฝ้าดูกายและจิต จนท่านรู้ระยะเวลาหลับนอนที่พอเหมาะสำหรับท่านถ้าท่านรู้สึกตัวตื่นแล้วยังซุก ข, ของีบต่อไปอีกนี่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองจงมีสติรู้ตัวทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้น 3. เรื่องการขบฉันควรจะฉันอาหารมากน้อยเพียงใดการขบฉันก็เหมือนกับการหลับนอน ต้องรู้จักตัวเองอาหารต้องบริโภคให้เพียงพอตามความต้องการของร่างกายจงมองอาหารเหมือนยารักษาโรคฉันมากไปจนง่วงนอนหลังฉันอาหารหรือเปล่าอ้วนขึ้นทุกวันหรือเปล่าจงหยุดแล้วสำรวจกายและจิตของท่านไม่จำเป็นต้องอดอาหารจงทดลองฉันอาหารตามปริมาณมากน้อยต่างๆ หาปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายใส่อาหารที่จะฉันทั้งหมดลงในบาตรตามแบบทุดงวัดแล้วท่านจะกะปริมาณอาหารที่จะฉันได้ง่ายเฝ้าดูตัวท่านเองอย่างถี่ถ้วนขณะที่ฉันจงรู้จักตัวเองสาระสำคัญของการฝึกปฏิบัติของเราเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรพิเศษที่ต้องทำไปมากกว่านี้จงเฝ้าดูเท่านั้น สำรวจตัวท่านเองเฝ้าดูจิตแล้วท่านจึงจะรู้ว่าอะไรคือสภาวะที่พอเหมาะสำหรับการฝึกปฏิบัติของท่าน 4. จิตของชาวเอเชียและชาวตะวันตกแตกต่างกันหรือไม่โดยพื้นฐานแล้วไม่แตกต่างกันดูจากภายนอกขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาที่ใช้อาจดูต่างกัน แต่จิตของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติซึ่งเหมือนกันหมดไม่ว่าชาติใดภาษาใดความโลภและความเกลียดก็มีเหมือนกันทั้งในจิตของชาวตะวันออกหรือชาวตะวันตกความทุกข์และความดับแห่งทุกข์ก็เหมือนกันในทุกๆคนห้าเราควรอ่านตำรับตำรามากๆหรือศึกษาพระไตรปิฎกด้วยหรือไม่ในการฝึกปฏิบัติ พระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่อาจค้นพบได้ด้วยตำราต่างๆถ้าท่านต้องการจะรู้เห็นจริงด้วยตัวของท่านเองว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรท่านไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับตำรับตำราเลยจงเฝ้าดูจิตของท่านเองพิจารณาให้รู้เห็นว่าความรู้สึกต่างๆเวทนานั้นเกิดขึ้นและดับไปอย่างไร ความนึกคิดเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรอย่าได้ผูกพันอยู่กับสิ่งใดเลยจงมีสติอยู่เสมอเมื่อไม่มีอะไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นจะได้รู้ได้เห็นนี่คือทางที่จะบรรลุถึงสัจธรรมของพระพุทธองค์จงเป็นปกติธรรมดาตามธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทํำขณะอยู่ที่นี่เป็นโอกาสแห่งการฝึกปฏิบัติ เป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อท่านทําวัดสวดมนต์อยู่พยายามให้มีสติถ้าท่านกําลังเทกระโถนหรือล้างส้วมอยู่อย่าคิดว่าท่านกําลังทําบุญทําคุณให้กับผู้หนึ่งผู้ใดมีธรรมะอยู่ในการเทกระโถนนั้นอย่ารู้สึกว่าท่านกําลังฝึกปฏิบัติอยู่เฉพาะเวลานั่งขัดสมาธิเท่านั้นพวกท่านบางคนบ่นว่า ไม่มีเวลาพอที่จะทำสมาธิภาวนาแล้วเวลาหายใจเล่ามีเพียงพอไหมการทำสมาธิภาวนาของท่านคือการมีสติระ ล, ลึกรู้และการรักษาจิตให้เป็นปกติตามธรรมชาติในการกระทาทุกอิริยาบถ 6. ททำไมพวกเราจึงไม่มีการสอบอารมณ์กับอาจารย์ทุกวัน ถ้าท่านมีคำถามเชิญมาถามได้ทุกเวลาแต่ที่นี่เราไม่จำเป็นจะต้องมีการสอบอารมณ์กันทุกวันถ้าตอบปัญหาเล็กๆน้อยๆทุกๆปัญหาของท่านท่านก็จะไม่มีทางรู้เท่าทันถึงการเกิดดับของความสงสัยในใจท่านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้ที่จะสำรวจตัวท่านเองสอบถามตัวท่านเอง จงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาทุกๆครั้งแล้วจงนำคำสอนนี้ไปเปรียบเทียบกับการฝึกปฏิบัติของท่านเองว่าเหมือนกันหรือไม่ต่างกันหรือไม่ทำไมท่านจึงมีความสงสัยอยู่ใครคือผู้ที่สงสัยนั้นโดยการสารวจตัวเองเท่านั้นจะทำให้ท่านเข้าใจได้เจ็ดบางครั้งกังวลใจอยู่กับพระวินัยของพระสงฆ์ ถ้าหากฆ่ า, มาแมลงโดยบังเอิญแล้วจะผิดไหมศีลหรือพระวินัยและศีลธรรมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการฝึกปฏิบัติของเราแต่ท่านต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างงมงายในการฆ่าสัตว์หรือการละเมิดข้อห้ามอื่นๆนั้นมันสำคัญที่เจตนาท่านย่อมรู้อยู่แก่ใจของท่านเอง อย่าได้กังวลกับเรื่องพระวินัยให้มากจนเกินไปถ้านำมาปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะช่วยส่งเสริมการฝึกปฏิบัติแต่พระภิกษุบางรูปกังวลกับกฎเกณฑ์เล็กๆน้อยๆมากเกินไปจนนอนไม่เป็นสุขพระวินัยไม่ใช่ภาระที่ต้องแบกในการปฏิบัติของเราที่นี่มีรากฐานคือพระวินัย ระวินัยรวมทั้งทุดงขวัตและการปฏิบัติภาวนาการมีสติและการสำรวมระวังในกฎระเบียบต่างๆ ต, ตลอดจนในศีล227ข้อนั้นให้คุณประโยชน์อันใหญ่หลวงทําให้มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายไม่ต้องพะวงว่าจะต้องทําตนอย่างไรดังนั้นท่านก็หมดเรื่องต้องคุ่นคิดและมีสติดํารงอยู่แทน พระวินัยทำให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนและชุมชนก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นลักษณะภายนอกทุกๆคนดูเหมือนกันและปฏิบัติอย่างเดียวกันพระวินัยและศีลธรรมเป็นบันไดอันแข็งแกร่งนำไปสู่สมาธิยิ่งและปัญญายิ่งโดยการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพระวินัยของพระสงฆ์และทุตงขวัญ ทำให้เรามีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆและต้องจำกัดจำนวนบริหารของเราด้วยดังนั้นที่นี่เราจึงมีการปฏิบัติที่ครบถ้วนตามแบบของพระพุทธเจา้าคือการงดเว้นจากความชั่วและทำความดีมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานชำระจิตให้บริสุทธิ์โดยการเฝ้าดูจิต และกายของเราในทุกๆอิริยาบถเมื่อนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่หรือนอนอยู่จงรู้ตัวของท่านเอง 8. จะทำอย่างไรเมื่อสงสัยบางวันวุ่นวายใจด้วยความสงสัยในเรื่องการปฏิบัติหรือในความคืบหน้าหรือในอาจารย์ ความสงสัยนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกคนเริ่มต้นด้วยความสงสัยท่านอาจได้เรียนรู้อย่างมากมายจากความสงสัยนั้นที่สำคัญก็คือท่านอย่าถือความสงสัยนั้นเป็นตัวเป็นตนนั่นคืออย่าตกเป็นเหยื่อของความสงสัยซึ่งจะทําให้จิตใจของท่านหมุนวนเป็นวัตฏะอันไม่มีที่สิ้นสุดแทนที่จะเป็นเช่นนั้น จงเฝ้าดูกระบวนการเกิดดับของความสงสัยของความชงนสนเท่ดูว่าใครคือผู้ที่สงสัยดูว่าความสงสัยนั้นเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรแล้วท่านจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความสงสัยอีกต่อไปท่านจะหลุดพ้นออกจากความสงสัยและจิตของท่านก็จะสงบท่านจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรจงปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ท่านยังยึดมั่นอยู่ ลอยวางความสงสัยของท่านและเพียงแต่เฝ้าดูนี่คือที่สิ้นสุดของความสงสัยเก้าท่านอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวกับวิธีฝึกปฏิบัติวิธีภาวนาวิธี อ, อื่นอย่างไรทุกวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีอาจารย์มากมายและมีแนวทางการทำสมาธิวิปัสสนาหลายแบบจนทำให้สับสน มันก็เหมือนกับการจะเข้าไปในเมืองบางคนอาจจะเข้าเมืองทางทิศเหนือทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทางถนนหลายสายโดยมากแล้วแนวทางภาวนาก็แตกต่างกันเพียงรูปแบบเท่านั้นไม่ว่าท่านจะเดินทางสายหนึ่งสายใดเดินช้าหรือเดินเร็วถ้าท่านมีสติอยู่เสมอมันก็เหมือนกันทั้งนั้นข้อสำคัญที่สุดก็คือแนวทางภาวนาที่ดีและถูกต้อง จะต้องนำไปสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่นลงท้ายแล้วก็ต้องปล่อยวางแนวทางภาวนาทุกรูปแบบด้วยผู้ปฏิบัติต้องไม่ยึดมั่นแม้ในตัวอาจารย์แนวทางใดที่นำไปสู่การปล่อยวางสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องท่านอาจจะอยากเดินทางไปศึกษากับอาจารย์ท่านอื่นอีกและลองปฏิบัติตามแนวทางอื่นบ้างก็ได้ พวกท่านบางคนก็ทำเช่นนั้นนี่เป็นความต้องการตามธรรมชาติท่านจะรู้ว่าแม้ได้ถามคำถามนับพันคำถามก็แล้วและก็มีความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติอื่นๆก็แล้วก็ไม่อาจจะนำท่านเข้าถึงสัจธรรมได้ในที่สุดท่านก็จะรู้สึกเบื่อนายท่านจะรู้ว่าเพียงแต่หยุดและสำรวจตรวจสอบดูจิตของท่านเองเท่านั้นท่านก็จะรู้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรไม่มีประโยชน์ที่จะสแสวงหาออกไปนอกตัวเองผลที่สุดท่านต้องหันกลับมาเผชิญหน้ากับสภาวะที่แท้จริงของตัวท่านเองตรงนี้แหละที่ท่านจะเข้าใจธรรมะได้สิทมีหลายครั้งหลายหนที่ดูเหมือนว่าพระหลายรูปที่นี่ไม่ฝึกปฏิบัติดูท่านไม่ใส่ใจทำ หรือขาดสติเรื่องนี้กวนใจมากมันไม่ถูกต้องที่จะคอยจับตาดูผู้อื่นนี่ไม่ช่วยการฝึกปฏิบัติของท่านเลยถ้าท่านรําคาญใจก็จงเฝ้าดูความรําคาญใจในใจของท่านถ้าศีลของผู้อื่นบกพร่องหรือเขาเหล่านั้นไม่ใช่พระที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องของท่านที่จะไปตัดสินท่านจะไม่เกิดปัญญาจากการจับตาดูผู้อื่น พระวินัยเป็นเครื่องช่วยในการทำสมาธิภาวนาของท่านไม่ใช่อาวุธสำหรับใช้ตีเตียนหรือจับผิดผู้อื่นไม่มีใครสามารถฝึกปฏิบัติให้ท่านได้หรือท่านก็ไม่สามารถปฏิบัติให้ผู้อื่นได้จงมีสติใส่ใจในการฝึกปฏิบัติของตัวท่านเองและนี่คือแนวทางของการปฏิบัติ11ระมัดระวังอย่างยิ่ง ที่จะสำรวมอินทรีย์ทอดสายตาลงต่ำเสมอและกำหนดสติอยู่กับการกระทำทุกอย่างแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นขณะที่กำลังฉันอาหารอยู่ใช้เวลานานและพยายามรู้สัมผัสทุกอย่างเป็นต้นว่าเคี้ยวรู้รสกลืนรู้รสกำหนดรู้ด้วยความตั้งใจทุกขั้นตอนและระมัดระวังแบบนี้ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ การสำรวมอินทรีย์นั้นเป็นการปฏิบัติถูกต้องแล้วเราจะต้องมีสติในการฝึกเช่นนั้นตลอดทั้งวันแต่อย่าควบคุมให้มากเกินไปเดินฉันและปฏิบัติตนให้เป็นธรรมชาติให้มีสติระลึกรู้ตามธรรมชาติถึงสิ่งที่กำลังเป็นไปในตัวท่านอย่าบีบบังคับการทำสมาธิภาวนาของท่านและอย่าบีบบังคับตนเองไปจนบูหน้าขัน ซึ่งก็เป็นตัญหาอีกอย่างหนึง่งจงอดทนความอดทนและความทนได้เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าท่านปฏิบัติตนเป็นปกติตามธรรมชาติและมีสติระลึกรู้อยู่เสมอปัญญาที่แท้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยส2องจำเป็นไหมที่จะต้องนั่งภาวนาให้นานๆนนไม่จำเป็นต้องนั่งภาวนา น, นานนับเป็นหลายหลายชั่วโมง บางคนคิดว่ายิ่งนั่งภาวนานานเท่าใดก็จะยิ่งเกิดปัญญามากเท่านั้นเคยเห็นไก่กกอยู่ในรังของมันทั้งวันนับเป็นวันวันปัญญาที่แท้เกิดจากการที่เรามีสติในทุกๆอิริยาบถการฝึกปฏิบัติของท่านจะต้องเริ่มขึ้นทันทีที่ท่านตื่นนอนตอนเช้าและต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องไปจนกระทั่งนอนหลับไป อย่าไปห่วงว่าท่านจะต้องนั่งภาวนาให้นานๆสิ่งสำคัญก็คือท่านเพียงแต่เฝ้าดูไม่ว่าท่านจะเดินอยู่หรือนั่งอยู่หรือกำลังเข้าห้องน้ำอยู่แต่ละคนต่างก็มีทางชีวิตของตนเองบางคนต้องตายเมื่อมีอายุห้าสิบปีบางคนเมื่ออายุห5สห้าปีและบางคนเมื่ออายุเก้าสิบปีชั้นใดก็ชั้นนั้นปฏิปทาของท่านทั้งหลายก็ไม่เหมือนกัน อย่าคิดมากหรือกังวลในใจเรื่องนี้เลยจงพยายามมีสติและปล่อยทุกสิ่งให้เป็นไปตามปกติของมันแล้วจิตของท่านก็จะสงบมากขึ้นมากขึ้นในสิ่งแวดล้อมทั้งปวงมันจะสงบนิ่งเหมือนหนองน้ำใสในป่าที่ซึ่งบรรดาสัตว์ป่าที่สวยงามและหายากจะมาดื่มน้าในสระนั้นท่านจะเข้าใจถึงสภาวะธรรมของสิ่งทั้งปวง เรื่องสังขารในโลกอย่างแจ่มชัดท่านจะได้เห็นความมหัศจรรย์และแปลกประหลาดทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปแต่ท่านก็จะยังคงสงบอยู่เช่นเดิมปัญหาทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นแต่ท่านจะรู้ทันมันได้ทันทีนี่แหละคือสารติสุขของพระพุทธเจา้า13ยังคงมีความนึกคิดต่างๆมากมาย จิตฟุ้งซ่านมากทั้งๆ ท, ที่พยายามจะมีสติอยู่อย่าวิตกในเรื่องนี้เลยพยายามรักษาจิตของท่านให้อยู่กับปัจจุบันเมื่อเกิดรู้สึกอะไรขึ้นมาภายในจิตก็ตามจงเฝ้าดูมันและปล่อยวางอย่าแม้แต่หวังที่จะไม่ให้มีความนึกคิดเกิดขึ้นเลยแล้วจิตก็จะเข้าถึงสภาวะปกติตามธรรมชาติของมัน ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างความดีและความชั่วร้อนและหนาวเร็วหรือช้าไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนเลยอะไรๆก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเมื่อท่านเดินบินทบาทไม่จําเป็นต้องทําอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่เดินและเห็นตามที่เป็นอยู่อย่ายึดมั่นอยู่กับการแยกตัวไปอยู่แต่ลําพังหรือกับการเก็บตัวไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด จงรู้จักตัวเองด้วยการปฏิบัติตนเป็นปกติตามธรรมชาติแล้วเฝ้าดูเมื่อเกิดสงสัยจงเฝ้าดูมันเกิดขึ้นและดับไปมันก็ง่ายๆอย่ายึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดทั้งสิ้นเหมือนกับว่าท่านกำลังเดินไปตามถนนบางขณะท่านจะพบสิ่งกีดขวางทางอยู่เมื่อท่านเกิดกิเลสเครื่องเศร้าหมองจงรู้ทันมันและเอาชนะมัน โดยปล่อยให้มันผ่านไปเสียอย่าไปคำนึงถึงสิ่งกีดขวางที่ท่านได้ผ่านมาแล้วอย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่ได้พบจงอยู่กับปัจจุบันอย่าสนใจกับระยะทางของถนนหรือกับจุดหมายปลายทางทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าท่านผ่านอะไรไปอย่าไปยึดมั่นไว้ในที่สุดจิตจะบรรลุถึงความสมดุลตามธรรมชาติของจิตและเมื่อนั้น การปฏิบัติก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นและดับไปในตัวของมันเอง14ท่านอาจารย์เคยพิจารณาสูตรของเว้ยลางของพระสังะปรินายกนิกายเซนองค์ที่หกบ้างไหมท่านเว้ยหลางหรือท่านหุยหนึ่งนั่นเองท่านหุยหนึ่งมีปัญญาเฉียบแหลมมาก คำสอนของท่านลึกซึ้งยิ่งหนักซึ่งไม่ใช่ของง่ายที่ผู้เริ่มต้นปฏิบัติจะเข้าใจได้แต่ถ้าท่านปฏิบัติตามศีลและด้วยความอดทนและถ้าท่านฝึกที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านก็จะเข้าใจได้ในที่สุดครั้งหนึ่งลูกศิษย์คนหนึ่งอาศัยอยู่ในกุฏิหลังคามุงแฝกฤดูฝนนั้นฝนตกชุกและวันหนึ่งพายุก็พัดเอาหลังคาโวไปครึ่งหนึ่ง เขาไม่ควรขวายที่จะมุงมันใหม่จึงปล่อยให้ฝนรั่วอยู่อย่างนั้นหลายวันผ่านไปได้ถามถึงกุฏิของเขาเขาตอบว่าเขากำลังฝึกการไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นการไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยไม่ใช้หัวสมองมันก็เกือบจะเหมือนกับความวางเฉยของควายถ้าท่านมีความเป็นอยู่ดีและเป็นอยู่ง่ายๆ ถ้าท่านอดทนและไม่เห็นแก่ตัวท่านจึงจะเข้าใจซึ้งถึงปัญญาของท่านหุยเหนิงได้สิหท่านอาจารย์เคยสอนว่าสมถะหรือสมาธิและวิปัสนาหรือปัญญานี้เป็นสิ่งเดียวกันขอให้ท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมนี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆนี่เองสมาธิสมถะและปัญญาวิปัสนาเนี่ย ต้องควบคู่กันไปเบื้องแรกจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ได้โดยอาศัยอารมณ์ภาวนาจิตจะสงบตั้งมั่นอยู่ได้เฉพาะขณะที่ท่านนั่งหลับตาเท่านั้นนี่คือสมถะและอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานช่วยให้เกิดปัญญาหรือวิปัสสนาได้ในที่สุดแล้วจิตก็จะสงบ ไม่ว่าท่านจะนั่งหลับตาอยู่หรือเดินอยู่ในเมืองที่วุ่นวายเปรียบเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นเด็กบัดนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วเด็กกับผู้ใหญ่นี้เป็นบุคคลเดียวกันหรือเปล่าท่านอาจจะพูดได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือถ้ามองอีกแง่หนึ่งท่านก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนละคนกันในทํานองเดียวกัน สมถะหรือวิปัสนาก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนละเรื่องกันหรือเปรียบเหมือนอาหารกับอุจจาระอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งเดียวกันและถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนละสิ่งกันอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่พูดมานี้จงฝึกปฏิบัติต่อไปและเห็นจริงด้วยตัวของท่านเองไม่ต้องทำอะไรพิเศษไปกว่านี้ ถ้าท่านพิจารณาว่าสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วท่านจะรู้ความจริงได้ด้วยตัวของท่านเองทุกวันนี้ผู้คนไปยึดมั่นอยู่กับชื่อเรียกผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาว่าวิปัสนาสมถาก็ถูกเหยียดหยามหรือผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาว่าสมถาก็จะพูดว่าจําเป็นต้องฝึกสมถาก่อนวิปัสนา เหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระอย่าไปวุ่นวายคิดถึงมันเลยเพียงแต่ฝึกปฏิบัติไปแล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตัวท่านเองสิหในการปฏิบัติของเราจําเป็นที่จะต้องเข้าถึงฌานหรือไม่ไม่ฌานไม่ใช่เรื่องจําเป็นท่านจะต้องฝึกจิตให้มีความสงบและมีอารมณ์เป็นหนึ่งเอกคตา แล้วอาศัยอันนี้สำรวจตนเองไม่ต้องทำอะไรพิเศษไปกว่านี้ถ้าท่านได้ฌานในขณะฝึกปฏิบัตินี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่อย่าไปหลงติดอยู่ในฌานหลายคนชะงักติดอยู่ในฌานมันทำให้เพลิดเพลินได้มากเมื่อไปเล่นกับมันท่านต้องรู้ขอบเขตที่สมควรถ้าท่านฉลาดท่านก็จะเห็นประโยชน์และขอบเขตของฌานเช่นเดียวกับที่ท่านรู้ขั้นความสามารถของเด็ก และขั้นความสามารถของผู้ใหญ่ 17. ทำไมเราต้องปฏิบัติตามทุดงควัดเช่นฉันอาหารเฉพาะแต่ในบาทเท่านั้นธุดงควัดทั้งหลายล้วนเป็นเครื่องช่วยให้ทำลายกิเลสเครื่องเศร้าหมองการปฏิบัติตามข้อที่ว่าให้ฉันแต่อาหารในบาททำให้เรามีสติมากขึ้น ระลึกว่าอาหารนั้นเป็นเสมือนยารักษาโรคถ้าเราไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองแล้วมันก็ไม่สําคัญว่าเราจะฉันอย่างไรแต่เราอาศัยทุดงขวัตทาให้การปฏิบัติของเราเป็นไปอย่างง่ายๆเพราะพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติธุดงขวัตไว้ว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับพระภิกษุทุกองค์แต่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติทุดงขวัต สำหรับพระภิกษุผู้ประสงค์จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทูดงขวัตเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาในศีลเพราะฉะนั้นช่วยเพิ่มความมั่นคงและความเข้มแข็งของจิตใจเราข้อวัดทั้งหลายเหล่านี้มีไว้ให้ท่านปฏิบัติอย่าคอยจับตาดูว่าผู้อื่นปฏิบัติอย่างไรจงเฝ้าดูจิตของตัวท่านเองและดูว่าอะไรจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านกฎข้อที่ว่าเราต้องไปอยู่กุฏิ จะกุฏิใดก็ตามที่กำหนดไว้ให้เราเป็นกฎที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันมันช่วยกันไม่ให้พระติดที่อยู่ถ้าผู้ใดาจากไปแล้วและกลับมาใหม่ก็จะต้องไปอยู่กุฏิใหม่การปฏิบัติของพวกเราเป็นเช่นนี้คือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด สิถ้าหากว่าการใส่อาหารทุกอย่างรวมลงในบาตรเป็นสิ่งจําเป็นแล้วทําไมท่านอาจารย์จึงไม่ปฏิบัติ ด, ด้วยเช่นเดียวกันท่านคิดว่าไม่สําคัญหรือที่อาจารย์จะต้องทําตัวเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ถูกแล้วอาจารย์ควรจะทําเป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์ของตนไม่ถือว่าท่านติท่านซักถามได้ทุกอย่างที่อยากทราบ แต่ว่ามันก็สำคัญที่ท่านต้องไม่ยึดอยู่กับอาจารย์ถ้าดูจากภายนอกอาจารย์ปฏิบัติดีพร้อมหมดก็คงจะแย่มากพวกท่านทุกคนก็จะพากันยึดติดในตัวอาจารย์ยิ่งขึ้นแม้พระพุทธเจ้าเองบางครั้งก็ตรัสให้บรรดาสาวกปฏิบัติอย่างหนึง่งแล้วพระองค์เองกลับปฏิบัติอีกอย่างหนึง่งความไม่แน่ใจในอาจารย์ของท่านก็ช่วยทันได้ ท่านควรเฝ้าดูปฏิกิริยาของตัวเองท่านไม่คิดบ้างหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าที่อาจารย์แบ่งอาหารจากบาศใส่จานไว้เพื่อเลี้ยงดูชาวบ้านที่มาช่วยทํางานวัดปัญญาคือสิ่งที่ท่านต้องเฝ้าดูและทำให้เจริญขึ้นรับเอาแต่สิ่งที่ดีจากอาจารย์จงรู้เท่าทันการฝึกปฏิบัติของท่านเองถ้าอาจารย์พักผ่อนในขณะที่พวกท่านทุกอ ง, องต้องนั่งทาความเพียรแล้ว ท่านจะโกรธหรือไม่ถ้าอาจารย์เรียกสีน้ำเงินว่าแดงหรือเรียกผู้ชายว่าผู้หญิงก็อย่าเรียกตามอาจารย์อย่างหลับหูหลับตาอาจารย์องค์หนึ่งฉันอาหารเร็วมากฉันเสียงดังแต่ท่านสอนให้พวกเราฉันช้าๆและฉันอย่างมีสติเคยเฝ้าดูท่านแล้วรู้สึกขัดเคืองใจมากเป็นทุกข์แต่ท่านไม่ทุกข์เลย เงเ็ห็นลักษณะภายนอกต่อมาจึงได้รู้ว่าบางคนขับรถเร็วมากแต่ระมัดระวังบางคนขับช้าๆแต่มีอุบัติเหตุบ่อยๆอย่ายึดมั่นถือมั่นในกฎระเบียบและรูปแบบภายนอกถ้าท่านใช้เวลาอย่างมากเพียงส0เอร์เซนมองดูผู้อื่นแต่เฝ้าดูตัวเอง 90% เอร์ซนอย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วแรกๆคอยเฝ้าสังเกตอาจารย์ก็คือ อาจารย์ทองรัตและเกิดสงสัยในตัวท่านมากบางคนถึงกับคิดว่าท่านบ้าท่านมักจะทำอะไรปแปลกหรือเกลี้ยกาดอเอากับบรรดาลูกศิษย์ของท่านอาการภายนอกของท่านโกรธแต่ภายในใจท่านไม่มีอะไรไม่มีตัวตนท่านน่าเลื่อมใสมากท่านเป็นอยู่อย่างรู้แจ้งและมีสติจนถึงวาระที่ท่านมรณภาพการมองออกไปนอกตัว เป็นการเปรียบเทียบแบ่งเขาแบ่งเราท่านจะไม่พบความสุขโดยวิธีนี้และท่านจะไม่พบความสงบเลยถ้าท่านมัวเสียเวลาสแสวงหาคนที่ดีพร้อมหรือครูที่ดีพร้อมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราดูที่ธรรมะที่สัจจะทมไม่ใช่คอยจับตาดูผู้อื่น เราเจาชนะกามราคะที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติได้อย่างไรบางครั้งรู้สึกเป็นทาตของความต้องการทางเพศการราคะจะบรรเทาลงได้ด้วยการเพ่งพิจารณาถึงความ น, น่าเกลียดโสโครกอสุภันการยึดติดอยู่กับรูปร่างกายเป็นสุดโตรงข้างหนึ่งซึ่งเราต้องมองในทางตรงข้าม จงพิจารณาร่างกายเหมือนซากศพและเห็นการเปลี่ยนแปลงเน่าเปื่อยหรือพิจารณาอวัยวะ ต, ต่างๆของร่างกายเช่นปอด ม, ม้ามไขมันอุจจาระและอื่นๆจำอันนี้ไว้และพิจารณาให้เห็นจริงถึงความน่าเกลียดโสโครกของร่างกายเมื่อมีการราคาเกิดขึ้นก็จะช่วยให้ท่านเอาชนะการราคาได้ ยีเมื่อกโกรธควรจะทำอย่างไรท่านต้องแผ่เมตตาถ้าท่านมีโทสะในขณะภาวนาให้แก้ด้วยเมตตาจิตถ้ามีใครทำไม่ดีหรือกโกรธอย่ากกโกรธตอบถ้าท่านกโกรธตอบท่านจะโง่ยิ่งกว่าเขาจงเป็นคนฉลาดสงสารเห็นใจเขาเพราะว่าเขากำลังได้ทุกข์จงมีเมตตาเต็มเตี่ยมเหมือนหนึ่งว่า เขาเป็นน้องชายที่รักยิ่งของท่านเพ่งอารมณ์เมตตาเป็นอารมณ์ภาวนาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเมตตาเท่านั้นที่จะเอาชนะโทสะและความเกลียดได้บางครั้งท่านอาจจะเห็นพระภิกษุรูปอื่นปฏิบัติไม่สมควรท่านอาจจะรำคาญใจทำให้เป็นทุกข์โดยใช่เหตุนี่ไม่ใช่ธรรมะ ข, ของเราท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่า เขาไม่เคร่งเท่าฉันเขาไม่ใช่พระกรรมฐานที่เอาจริงเอาจังเช่นฉันเขาไม่ใช่พระที่ดีนี่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองของตัวท่านเองอย่าเปรียบเทียบอย่าแบ่งเขาแบ่งเราจงละทิฐิของท่านเสียแล้วเฝ้าดูตัวท่านเองนี่แหละคือธรรมะของเราท่านไม่สามารถบังคับให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านต้องการหรือเป็นเช่นท่านได้ ความต้องการเช่นนี้มีแต่จะทำให้ท่านเป็นทุกข์ผู้ปฏิบัติภาวนามักจะพากันหลงผิดในข้อนี้การจับตาดูผู้อื่นไม่ทำให้เกิดปัญญาได้เพียงแต่พิจารณาตนเองและความรู้สึกของตนแล้วท่านก็จะเข้าใจ ยี่ 11. ง่วงเหงาหานอนอยู่มากทำให้ภาวนาลำบากมีวิธีเอาชนะความง่วงได้หลายวิธีถ้าท่านนั่งอยู่ในที่มืดย้ายไปอยู่ที่สว่างลืมตาขึ้นลุกไปล้างหน้าตบหน้าตัวเองหรือไปอาบน้าถ้าท่านยังง่วงอยู่ให้เปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมให้มากหรือเดินถอยหลัง ความกลัวว่าจะไปชนอะไรเข้าจะทําให้ท่านหายง่วงถ้ายังง่วงอยู่อีกก็จงยืนนิ่งๆทําใจให้สดชื่นและสมมุติว่าขณะนั้นสว่างเป็นกลางวันหรือนั่งริมหน้าผาสูงหรือบ่อลึกท่านจะไม่กล้าหลับถ้าทําอย่างไรอย่างไรก็ไม่หายง่วงก็จงนอนเสียเองกายลงอย่างสํารวมระวังและรู้ตัวอยู่จนกระทั่งท่านหลับไป เมื่อท่านรู้สึกตัวตื่นขึ้นจงลุกขึ้นทันทีอย่ามองดูนาฬิกาหรือหลับต่ออีกเริ่มต้นมีสติระลึกรู้ทันทีที่ท่านตื่นถ้าท่านง่วงนอนอยู่ทุกวันลองฉันอาหารให้น้อยลงสำรวจตัวเองถ้าอีกห้าคำท่านจะอิ่มจงหยุดแล้วดื่มน้ำจนอิ่มพอดีแล้วกลับไปนั่งดูใหม่อีกเฝ้าดูความง่วงและความหิว ท่านต้องกะฉันอาหารให้พอดีเมื่อท่านฝึกปฏิบัติต่อไปอีกท่านจะรู้สึกกระปรี้กระปร่าวขึ้นแล้วฉันน้อยลงท่านต้องปรับตัวของท่านเอง22ทำไมเราจึงต้องกราบกันบ่อยๆที่นี่ การกราบนี้เป็นสิ่งสาคัญมากเป็นรูปแบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการกราบนี้ต้องทำให้ถูกต้องก้มลงจนหน้าผากจรดพื้นวางศอกให้ชิดกับเขา่าฝ่ามือทั้งสองราบอยู่ที่พื้นห่างกันประมาณสามนิ้วกราบลงช้าๆมีสติรู้อาการของกายการกราบช่วยแก้ความถือตัวของเราได้เป็นอย่างดีเราควรกราบบ่อยๆ เมื่อท่านกราบสามคนท่านควรตั้งจิตระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั่นคือคุณลักษณะแห่งจิตอันสะอาดสว่างและสงบดังนั้นเราจึงอาศัยรูปแบบนี้ฝึกฝนตนกายและจิตจะประสานกลมกลืนกันอย่าได้หลงผิดไปจับตาดูว่าผู้อื่นกราบอย่างไรถ้าสามเณร น, น้อยดูไม่ใส่ใจ และพระผู้เท่าดูขาสติก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะตัดสินบางคนอาจจะสอนยากบางคนเรียนได้เร็วบางคนเรียนได้ช้าการพิจารณาตัดสินผู้อื่นมีแต่จะเพิ่มความหยิ่งทะนงตนจงเฝ้าดูตัวเองกราบบ่อยๆขจัดความหยิ่งทะนงตนออกไปผู้ที่เข้าถึงธรรมะได้อย่างแท้จริงแล้วท่านจะอยู่เหนือรูปแบบทุกๆุกอย่างที่ท่านทํา ก็มีแต่การอ่อนน้อมถ่อมตนเดินก็ถ่อมฉันก็ถ่อมขับทายก็ถ่อมทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านพ้นจากความเห็นแก่ตัวเสียแล้ว23อุปสรรคใหญ่ของลูกศิษย์ใหม่ของท่านอาจารย์คืออะไร คิดถีความเห็นและความนึกคิดเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวงเกี่ยวกับตัวเขาเองเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนาเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจา้าหลายๆท่านที่มาที่นี่ต่างมีตำแหน่งการงานสูงในสังคมบางคนเป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งหรือได้ปริญญาต่างๆครูและข้าราชการสมองของเขาเต็มไปด้วยความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ เขาฉลาดเกินกว่าที่จะฟังผู้อื่นเปรียบเหมือนน้าในถ้วยถ้าถ้วยมีน้ำสกรปรกอยู่เต็มถ้วยน้ำก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เมื่อได้เทน้าเก่านั้นทิ้งไปแล้วเท่านั้นถ้วยนั้นก็จะใช้ประโยชน์ได้ท่านต้องทำจิตให้ว่างจากทิฏฐิแล้วท่านจึงจะได้เรียนรู้การปฏิบัติของเรานั้นอยู่เหนือความฉลาดหรือความโง่ถ้าท่านคิดว่าฉันเก่ง ฉันรวยฉันเป็นคนใหญ่คนโตฉันเข้าใจพระพุทธศาสนาแจมแจ้งทั้งหมดเช่นนี้แล้วท่านจะไม่เห็นความจริงในเรื่องของอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนท่านจะมีแต่ตัวตนตัวฉันของฉันแต่พระพุทธศาสนาคือการละตัวตนเป็นความว่างเป็นความไม่มีทุกข์เป็นนิพพาน 24กิเลสเครื่องเศร้าหมองเช่นความโลภหรือความโกรธเป็นเพียงมายาหรือเป็นของจริงเป็นทั้งสองอย่างกิเลสที่เราเรียกว่าราคะหรือความโลภความโกรธและความหลงนั้นเป็นแต่เพียงชื่อเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกับที่เราเรียกชามใหญ่ชามเล็กสวยหรืออะไรก็ตามนี่ก็ไม่ใช่สภาพทีท่เป็นจริง แต่เป็นความคิดปรุงแต่งที่เราคิดปรุงขึ้นจากตัณหาถ้าเราต้องการชามใหญ่เราก็ว่าอันนี้เล็กไปตัณหาทำให้เราแบ่งแยกความจริงก็คือมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นลองมามองแง่นี้บ้างท่านเป็นผู้ชายหรือเปล่าท่านตอบว่าเป็นนี่เป็นเพียงรูปปรากฏของสิ่งต่างๆแท้จริงแล้วท่านเป็นส่วนประกอบของธาตุและขัน ถ้าจิตเป็นอิสระแล้วจิตจะไม่แบ่งแยกไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีอะไรจะเป็นอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนแท้จริงแล้วในบ้นปลายก็ไม่มีทั้งอัตตาและอนัตตาเป็นแต่เพียงชื่อเรียก 25่สาขอความกรุณาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมด้วยกรรมคือการกระทํากรรมคือการยึดมั่นถือมั่นกายวาจาและใจล้วนสร้างกันเมื่อมีการยึดมั่นถือมั่นเราทํากันจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัยซึ่งจะทําให้เราเป็นทุกข์ได้ในการข้างหน้านี่เป็นผลของการยึดมั่นถือมั่นและของกิเลส เครื่องเศร้าหมองของเราที่เกิดขึ้นในอดีตความยึดมั่นทั้งหลายจะทำให้เราสร้างกังสมมุติว่าท่านเคยเป็นขโมยก่อนที่จะบวชเป็นพระท่านขโมยเขาทำให้เขาไม่เป็นสุขทำให้พ่อแม่หมดสุขตอนนี้ท่านเป็นพระแต่เวลาที่ท่านนึกถึงเรื่องที่ท่านทำให้ผู้อื่นหมดสุขแล้วท่านก็ไม่สบายใจและเป็นทุกข์แม้จนทุกวันนี้ จงจำไว้ว่าทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมจะเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดผลในอนาคตได้ถ้าท่านเคยสร้างกรรมดีไว้ในอดีตและวันนี้ก็ยังจำได้ท่านก็เป็นสุขความสุขใจเป็นผลจากกรรมในอดีตสิ่งทั้งปวงมีเหตุเป็นปัจจัยทั้งในระยะยาวและถ้าใครครวนดูแล้วทั้งในทุกขณะ ด, ด้วย แต่ท่านอย่าไปนึกถึงอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตเพียงเฝ้าดูกายและจิตท่านจะต้องพิจารณาจนเห็นจริงในเรื่องกรรมด้วยตัวของท่านเองจงเฝ้าดูจิตปฏิบัติแล้วท่านจะรู้อย่างแจ่มแจ้งอย่าลืมว่ากรรมของใครก็เป็นของคนนั้นอย่ายึดมั่นและอย่าจับตาดูผู้อื่นถ้าเราดื่มยาพิษเราก็ได้ทุก ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะมาเป็นทุกข์ด้วยจงรับเอาแต่สิ่งดีที่อาจารย์สอนแล้วท่านจะเข้าถึงความสงบจิตของท่านจะเป็นเช่นเดียวกันกับจิตของอาจารย์ถ้าท่านพิจารณาดูท่านก็จะรู้ได้แม้ว่าขณะ น, นี้ท่านจะยังไม่เข้าใจเมื่อท่านปฏิบัติต่อไปมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรม เมื่อเรายังเล็กพ่อแม่วางกฎระเบียบกับเราและหัวเสียกับเราแท้จริงแล้วท่านต้องการจะช่วยเรากว่าเราจะรู้ก็ต่ออีกนานพ่อแม่และครูบาอาจารย์ดุว่าเราและเราก็ไม่พอใจต่อมาเราจึงเข้าใจว่าทำไมเราจึงถูกดุปฏิบัติไปนานๆแล้วท่านก็จะเห็นเองส่วนผู้ที่คิดว่าตนฉลาดล้ำก็จะจากไปในระยะเวลาอันสั้น เขาไม่มีเวลาไม่มีวันจะได้เรียนรู้ท่านต้องขจัดความคิดว่าตัวฉลาดสามารถออกไปเสียถ้าท่านคิดว่าท่านดีกว่าผู้อื่นท่านก็จะมีแต่ทุกข์เป็นเรื่องน่าสงสารอยา่าขุนเคืองใจแต่จงเฝ้าดูตนเอง 26. บางครั้งดูเหมือนว่าตั้งแต่บวชเป็นพระมานี้ประสบความยากลำบากและความทุกข์มากขึ้นพวกท่านบางคนมีภูมิหลังที่สะดวกสบายทางวัตถุมาก่อนและมีเสรีภาพเมื่อเปรียบกันแล้วขนาดนี้ท่านต้องเป็นผู้อยู่อย่างสำรวมตนเองและมักน้อยยิ่งหนักซ้ำในการฝึกปฏิบัตินี้ ยังให้ท่านนั่งนานและคอยหลายชั่วโมงอาหารและดินฟ้าอากาศก็ต่างกันไปกับบ้านเมืองของท่านแต่ทุกคนก็ต้องผ่านความทุกข์ยากกันบ้าง น, นี่คือความทุกข์ที่จะนําไปสู่ความดับทุกข์อย่างนี้แหละที่จะทําให้ท่านได้เรียนรู้เมื่อท่านนึกโกรธหรือนึกสงสารตัวเองนั่นแหละเป็นโอกาสเหมาะที่จะเข้าใจเรื่องของจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่า กิเลสทั้งหลายเป็นครูของเราสิทธิ์ทุกคนก็เหมือนลูกของเราเรามีแต่เมตตากรุณาและความปรารถนาดีต่อทุกคนถ้าเราทำให้ท่านทุกยากก็เพื่อประโยชน์ของท่านเองเรารู้ว่าพวกท่านบางคนมีการศึกษาดีและมีความรู้สูงผู้ที่มีการศึกษาน้อยและมีความรู้ทางโลกน้อยจะฝึกปฏิบัติได้ง่ายมันก็เหมือนกับว่า ก็รังเช่นท่านนี้มีบ้านหลังใหญ่ที่จะต้องเช็ดถูเมื่อเช็ดถูแล้วท่านก็จะมีที่อยู่กว้างขวางมีครัวมีห้องสมุดมีห้องนั่งเล่นท่านต้องอดทนความอดทนและความทนได้สําคัญมากในการฝึกปฏิบัติของเราเมื่อเรายังเป็นพระนมนุ่มอยู่เราไม่ได้รับความยากลำบากมากเท่าท่านเราพูดภาษาพื้นเมือง และฉันอาหารพื้นเมืองของเราเองแม้กระนั้นบางวันเราก็ทอดอะไรเราอยากสึกและถึงกับอยากฆ่าตัวตายความทุกข์เช่นนี้เกิดจากความเห็นผิดมิจชาทิฐิเมื่อท่านเข้าถึงสัจธรรมแล้วท่านจะละทิ้งทัศนะและทิฏฐิเสียได้ทุกอย่างจะเข้าสู่ความสงบ จเจริญสมาธิภาวนาจนจิตสงบลึกควรทำอย่างไรต่อไปนี่ก็ดีแล้วทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วใช้สมาธินี้พิจารณาจิตและกายถ้าจิตเกิดไม่สงบ ก, ก็จงเฝ้าดูด้วยแล้วท่านจะรู้ถึงความสงบที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะท่านจะได้เห็นความไม่เที่ยงแม้ความสงบเองก็ดูให้เห็นไม่เที่ยง ถ้าท่านยึดติดอยู่กับภาวะจิตที่สงบแล้วท่านจะเป็นทุกข์เมื่อจิตไม่สงบฉะนั้นจงปล่อยวางหมดทุกสิ่งแม้แต่ความสงบ28ได้ยินท่านอาจารย์พูดว่า ท่านเป็นห่วงลูกสิท์ที่ภาคเพียนมากใช่ไหมถูกแล้วเป็นห่วงห่วงว่าเขาเอาจริงเอาจังจนเกินไปเขาพยายามเกินไปแต่ขาดปัญญาเขาเขี้ยวเข็นตนเองไปสู่ความทุกข์ยากโดยไม่จําเป็นบางคนมุ่งมั่นที่จะรู้แจ้งเขาขบฟันแน่นและใจดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นความพยายามมากเกินไป คนทั่วไปก็เช่นเดียวกันพวกเขาไม่รู้ถึงสภาพเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงสังขารทั้งปวงจิตและร่างกายล้วนเป็นของไม่เที่ยงจงเฝ้าดูและอย่ายึดมั่นถือมั่นบางคนคิดว่าเขารู้เขาวิพา์วิจาร์จับตามองและลงความเห็นนอกเองอย่างนี้ก็ตามใจเขาทิฐิของใครก็ปล่อยให้เป็นของคนนั้นการแบ่งเขาแบ่งเรานี้อันตรายเปรียบเหมือนทางโค้งอันตรายของถนน ถ้าเราคิดว่าคนอื่นด้อยกว่าหรือดีกว่าหรือเสมอกันกับเราเราก็ตกทางโค้งถ้าเราแบ่งเขาแบ่งเราเราก็จะเป็นทุกข์29เกได้เจริญสมาธิภาวนามาหลายปีแล้ว ใจเปิดกว้างและสงบระงับเกือบจะในทุกสภาพการเวลานี้อยากจะย้อนหลังและฝึกทำสมาธิชั้นสูงหรือฝึกฌานจะทาอย่างนั้นก็ได้เป็นการฝึกจิตที่มีประโยชน์ถ้าท่านมีปัญญาท่านจะไม่ยึดติดอยู่ในสมาธิจิตซึ่งก็เหมือนกันกับการอยากนั่งภาวนานา น, า น, านอยากจะลองฝึกอย่างนั้นดูก็ได้แต่จริงๆแล้ว การฝึกนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่วงท่าอิริยาบทต่างๆแต่นี่เป็นการมองตรงเข้าไปในจิตนี่คือปัญญาเมื่อท่านพิจารณาและเข้าใจชัดในเรื่องของจิตแล้วท่านก็จะเกิดปัญญารู้ถึงขอบเขตของสมาธิหรือขอบเขตของตำรับตำราเมื่อท่านได้ฝึกปฏิบัติและเข้าใจจริงเรื่องการไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วท่านจะกลับไปอ่านตำรับตำราก็ได้เปรียบได้เหมือนขนมหวาน จะช่วยท่านในการสอนผู้อื่นหรือท่านจะหวนกลับไปฝึกฌานก็ได้ถ้าท่านมีปัญญารู้แล้วที่จะไม่ยึดถือในสิ่งใด 30. ขอความกรุณาทบทวนใจความสำคัญของการสนทนานี้ด้วย ท่านต้องสำรวจตัวเองรู้ว่าท่านเป็นใครรู้ทันกายและจิตใจของท่านโดยการเฝ้าดูในขณนะนั่งภาวนาหลับนอนและขบฉันจงรู้ความพอดีพอเหมาะสำหรับตัวท่านใช้ปัญญาในการฝึกปฏิบัตินี้ต้องละความอยากที่จะบรรลุผลใดๆจงมีสติรู้ว่าอะไรเป็นอยู่การเจริญสมาธิภาวนาของเราก็คือการมองตรงเข้าไปในจิต ท่านจะมองเห็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์และความดับไปแห่งทุกแต่ท่านต้องมีความอดทนอดทนอย่างยิ่งและต้องทนได้ท่านจะค่อยๆได้เรียนรู้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาวกอยู่กับอาจารย์อย่างน้อยห้าปีท่านจะต้องเห็นคุณค่าของการให้ทานของความอดทนและของการเสียสละอย่าปฏิบัติเคร่งเครียดจนเกินไป อย่ายึดติดอยู่กับรูปแบบภายนอกการจับตาดูผู้อื่นเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องจงเป็นปกติตามธรรมชาติและเฝ้าดูสิ่งนี้อยู่พระวินัยของพระสงฆ์และกฎระเบียบของวัดสาคัญมากทำให้เกิดบรรยากาศที่เรียบง่ายและประสานคลมกลืนจงใช้ให้เป็นแต่จำไว้ว่าความสาคัญของพระวินัยของพระสงฆ์คือการเฝ้าดูเจตนาและสารวจจิต ท่านต้องใช้ปัญญาอย่าแบ่งเขาแบ่งเราท่านจะขัดเคืองใจหรือไม่ถ้าต้นไม้เล็กๆในป่าไม้สูงใหญ่และตรงอย่างต้นอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องโง่เขลาอย่าไปตัดสินคนอื่นคนเรามีหลายแบบต่างๆกันอย่าคอยแต่มั่นหมายที่จะเปลี่ยนแปลงใครๆไปหมดทุกคนดังนั้นจงอดทนและฝึกให้มีคุณธรรมมีความเป็นอยู่อย่างง่าย และเป็นปกติตามธรรมชาติเฝ้าดูจิตนี่แหละคือการปฏิบัติของเราซึ่งจะนำไปสู่ความไม่เห็นแก่ตัวและความสงบสันติ